ปุโปสะทะกรณะโตปุเพนววิถังปุภากิจจังกาตพังโหติตันธานะสมะชนันจตถาปทธิปุจแลนัญจอาสนะปัญญาปนัญจปานิยะปริโภชนิยุปัถพนันจฉันทาระหานังพิโกนังฉันทาระนัญจเตสันเยวอกาตุโปสะทานังปาริสุทธิยาปี อาหารนั่จะอุตโขขันนั่นจะพิกคขันนั่นอาจจะพิโคเนนโมวาโทจาติตถาภริมาณิจัตาริพิโคนางวะตังชานันเตหิอารามิเกหิปิพิโคหิปิกตานิปริณิติตานิฮโณติฉันทอาหาระปาริสุทธิอาหารนานิปนันอิมิสั่งพัทสิมายัง หัตถปาสั่งวิจิหิตวานิสินานานังปิโคนานอภาวตโตนทติโอตุขานังนามเอตะกังอติกัรตังเอตะกังอวสิธาอุติเอวังอุตุอาจิกนงังโอตุนิธาปนะสะสนเฮมันตาคิมหะวะสะนานังวเสนาติเนหนติอิยังเฮมันโตโตอิมาสมินจะอุตุมหิอัฐาอุโปสธาห อิมินาปะเขนาเอกอุโปสะโทสัมปัตโตอนเทวเอกุปโสะธาอติกันตังปัญจอุโปโสะธาอวสิทธาอิติเอวังสัพเพหิอายสัมมันเตหิอุตุขานังทารเอิตพังใิ้กุขนานานามาอิมัสมิงอุโปโสะธเข โุโปสถทยัสเนปติตาภิกขเอตกาติภิกข u นังคณนานงอิมสัมมปนโปปสัทเขจตารูภิกขสนิปติตาโหนตีอิติเอวังสัเพหิอายสมันเตหิภิกขคณนนาปิทารเอตภานภิกขเนนโมวโทปนอิธานิตาสังนติตาญณท อิต an an e ja ิสักระนกาสานังปุพกิกจานนังกตตะหนิกรโนกาสานังปุพกิกจานนังปกติยาปอรินิทิตตะหเอวันตังนววิธังปุพกิกจังปรรินิตังโหติเนติเตจปุพกิจเจสเจโซทิวโซจัตุทัศีปนารัีสามมคินัมัญยตโร ยถาเชอุปโสธอบันนรสอยาวติกาจะภิกขโกามปัตตานสังคโปสสธาหราจัตตารวาตตโตวาอติเรกาปะกตตาปราชิกังอาณาปัณานั้นสังเขนวาอนุขิตาเตชโคหทถปปสังอเวชหิตวาเอกสีมายังติตา เตสั่นจะวิกาลโภชนาธิวาเซนวัตุสภาคาปติโยเจนวิชันตีเตสั่นจหัตถาเสหัตถาสโตปหิการนาวาเซนาาเาาน า, าวเชตภโขจิวัชนียปุขละเจนัธีเอวันตังอุปโปสถก ม, มังอิเมหิจตหิลักขเนหิสังขหิตังปัตตะกลังนามโหติกาตุงยุตรูปัง อุปสฏฐาก ม, มัสสะปัตตะกัละตังเวทิตวานอิธานิกริยะามโานอุปปสสโะสังเขนะอนุมาเนเอตับหง